ขความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านทุกฟังทั้งหลายแต่ลมประโพติยานกำลังขยายสารถาขององค์ธรรมในปฏิจจสมบาตตำหลักที่พระตถาคาจารย์แสดงไว้บ้างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระองค์เองบ้างเพื่อเห็นว่านิยาแห่งธรรมเหล่านี้ ก็คือเรื่องของทุกข์กับสมุทยัยเมื่อเราพูดกันในสายเกิดทีนี้เมื่อเป็นทุกข์เป็นสมุทยัยมันก็เป็นสังสารวัตรที่เราเรียกว่าเป็นภวะจักคือเป็นกรงโล่ที่จะหมุนพาชีวิตของบุคคลให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรตามความเข้มข้นของอวิชากรรม แล้วก็สร้างขึ้นปฏิสนธิวิญญาณตกแต่งให้นามารูปหยาบกลางประนีตตามปริมาณของกุศ ล, ลกรรมหรืออกุศ ล, ลกรรมผลกงล้อของสังสารวัฏจุดนี้ถ้าหากว่าไม่ต้องการจะบรรลุกมกุฎนิพพานก็บำเพ็ญระดับโลกิยกุศล คือลดความชั่วลงก็เพิ่มความดีขึ้นแม้ระดับของศีลห้ากุศลกำหนดสิทธิเนี่ยโสชาติมันก็ประณีตแล้วเพราะเวลาแสดงทางแห่งสุคติพัเจ้าก็สงยกตัวอย่างกุศลกำบนดกับศีลห้าเนี่ยจะเป็นหลักเวลาแสดงทางแห่งทุกติก็เอ า, อากุศลกำบบดกับ การละเมิดศีลห้าเป็นหลักเช่นเดียวกันบ่อนกรได้พูดมาถึงประเด็นของเวทนาคือความสวยอารมณ์คือปัจจัยนะฮะได้แก่การกระทบกันแล้วพอออกมาเป็นเวทนาที่รเราแปลว่าความสวยอารมณ์สวยก็ที่จริงคือกินนะหมายความว่าจิตทนะําหน้าที่เคี้ยวกินอารมณ์ ก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกไปสุขบ้างก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่เรากระทบนั้นเราชอบหรือไม่ชอบแต่เราชอบก็เกิดสุขเวทนาเราไม่ชอบก็เกิดเป็นทุกข์เราเฉยๆมันก็เฉยๆซึ่งก็เป็นชีวิตประจำวันนี่แหละปฏิจจสมบัติมันก็เป็นชีวิตประจำวันอยู่ทุกวันเราก็คือกระบวนการของปฏิจจสมบาตสายเกิดคือในแต่ละวันเนี่ยนะ คือจะสัมผัสสายดับบ้างก็อยู่ที่จิตซึงหมายความว่าถ้าเราอยู่บนเส้นทางของอริยมรรคได้นานๆกิเลสประเภทต่างๆก็จางคลายลงไปก็แสดงว่าเราก็สลับเข้ามาอยู่ในสายดับดับได้นานๆบ้างดับได้สั้นๆบ้างก็ได้แต่แโดยปกติมันก็เป็นการชักกระเยาะกันอยู่ คือต่อสู้กันระหว่างกลุ่มกุศลกับกลุ่มอกุศลเพราะพอพูดถึงเวทนาที่แปลความสวยอารมณ์อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าตัวเวทนาเนี่ยมันเป็นตัวนามแล้วก็เป็นจิตสังขารคือสิ่งที่ผลิตจิตสถานะเขาก็คือเจตสิกแล้วก็เป็นเวทนาขันในขันทั้งห้า กแล้วแต่จัดกลุ่มในเรื่องอะไรแต่ถ้าเราดูให้ดีนะเราพูดไปพูดมาเนี่ยมันก็อยู่ในขันห้านั่นแหละไม่ได้ไปไหนคือตัวใหญ่ที่สุดก็คือตัวเจตสิกตัวสังขารนะฮะตัวใหญ่เยอะไปหมดเลยทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งอัปยากริยยกเว้นนิพพานเนียจะเว้นนิพพานไว้เท่านั้นเองตอนนั้นก็จะอยู่ในขันห้าทั้งหมด เวทนาก็เรียกเต็มๆเนี่ยเรียกว่าจักขุสัมผัสชาวเวทนาเป็นต้นนะแปลว่าความสะบยอารมณ์เพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการสัมผัสทางจักสุเป็นต้นนะฮะคือทั้งหกเนี่ยเวทนามันก็ไปเกิดแต่อย่าลืมว่าบางครั้งเวทนาที่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันเกิดขึ้นจากการเนี่วนึกของเราเองคือเราสึกนึกขึ้นมาเอง เราก็รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าเราไม่ไปเหนียวนึกไม่ตรึกนึกมันก็ไม่เกิดเป็นความทุกข์ความสุขขึ้นในส่วนหนึ่งก็คือกระทบมาทางประสาทสัมผัสทังกล่าวในภาคสนามจริงๆก็สอนให้มองเวทนาในแง่ที่เป็นขันคือตกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยง เพราะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่เกอดดับเกิดดับเกิด ด, ดับที่ยิบแล้วหาเวทานาที่เที่ยงไม่ได้เวทนามันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นทุกข์บางครั้ง เป็นทุกเวทนามันก็แผดเผารุนแรงประสบความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันแปลจริงเอาจังมากเกินไปยิ่งเดือดร้อนมากลองสังเกตว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าเราไปให้ความสำคัญแก่การเจ็บป่วยมากเนี่ยปริมาณของความทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นมา เพราะพวกนี้เมื่อเป็นขันปัญหาใหญ่มันก็อยู่ที่การจิตคือทำยังไงจะมองว่ามันก็สักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าทุกข์สักแต่ว่ากลางๆงคืออนิจายาอะไรมันก็ไม่ได้มันก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยเราขอให้เป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างโน้อนอย่าเป็นอย่างอื่นอะไรอะไรนี้เราสร้างมันก็ไม่เคยได้แต่ผก็อยู่กับจิตเราตลอดเพียงแต่ว่าเราก็พูดกับเขาไม่รู้เรื่อง ดังนั้นปัญหาสำคัญก็คืออยู่ที่การมีปัญญารู้เท่าทันเรื่องความจริงแล้วก็ถือว่าศักด์แต่ว่าเวทนาใช่บ้างอย่างน้อยเนี่ยรู้สึกว่าศักด์แต่ว่าเวทนาใช่บ้างอย่าไปเรื่องอุราวกับสิ่งที่มันจะเพิ่มความทุกข์ให้มากเกินไป ือเราสังเกตว่าถ้าเราตัดเวทนาในอดีตเสียแล้วก็ไม่ไปวิตกกังวลกับเวทนาในอนาคตเนี่ยเราตั้งสติกำหนดรู้ที่เวทนาปัจจุบันเนี่ยเราแก้ปัญหานได้เยอะแต่ที่เรายุ่งๆเนี่ยเราไปทุ่มกับอดีตอนาคตนี่มากถึงในข้อ น, นี้ครูเจ้าจะทรงสอนในแนวของไตรักเนี่ยให้ศึกษาแนวใจรักนี่มาก แต่ในที่นี้ก็คงไม่เน้นนะนะะคือให้มองในแนวว่าไอเวทนาจริงๆมันคืออะไรแล้วสถานะเขาเป็นอะไรคือเป็นทุกข์สัตว์นะเป็นขันเป็นเวทนาขันมีฐานะเป็นทุกข์สัต์ข้อต่อไปก็คือตัณหาตัณหาในที่นี้จะเน้นไปที่ตัณหาในอารมณ์ทั้งหกคือพูดถึงที่เกิดของตัณหา และในขณนะเดียวกันก็จำแนกประเภทของตัญหาออกไปทีนี้พวกตัญหาเนี่ยอาการที่ทรงแสดงในอริยสัจทรงใช้คำสามคำปโปโนโปวิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปนันติรากาสากตาจิตจะสารคต ด, ด้วยความกำหนัดและก็ด้วยความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้น และจะเพลิดเพลิดมากยิ่งขึ้นไปเพราะเราจะเห็นว่าแม้จะมีการจําแนกออกไปเป็นกรรมมรณาภาวนตมรหาวิภวมรณาก็คือโลคโ ก, กธรธลงอาการที่เราชัดเจนคือเราเห็นโลค ก, กับโกรธนะครับการมรณาก็โรคภาวะมรณาก็โลคแล้วถ้าใครขัดขวางไม่ให้ได้ในสิ่งที่เราโลรธเราก็โกรธ และวิเพราะว่า ต, ตหานั้นก็คือเป็นประเภทโทสะคือเป็นกิเลสประเภทปฏิเสธคือผลักออกอาการเหล่านี้สืบเนื่องมาจากโมหะคือความหลงเพราะเราเห็นว่าตาหาการวิชาก็ปวกเดียวกันตานห า, าวิชาอุป า, าทานนี่ก็ยังเป็กเดียวกันแต่เป็นการลัศดแรงลักษณะอาการของกิเลสคล้ายๆกับอาการของคนคนหนึ่งก็ทำอาการเยอะ เราพูดตึงอาการเขาก็พูดได้เยอะแต่เขาก็คือเขานั่นแหละเพราะงั้นในแนวของตัณหาเนี่ยมันจะสืบสาวไปสู่ทิศถิบคือจะเห็นว่าแนวของภวะตัณหาเนี่ยก็ต้องการพบที่มันจนถึงแนวพระเจ้านะฮะแนวพวกพระเจ้าทั้งหลายเนี่ย แนวไปสิงส ถ, ถิตอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์เป็นสุขชั่วนิรันดร อ, อยู่ใกล้ชิดอยู่รับใช้อยู่ในดินแดนอะไรก็ไม่รู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยมันเป็นสัจธรตมที่คือความเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเที่ยงแท้แน่นอนปรัถนาอารมณ์บ้างสถานะบ้างพบบ้างโกลัตนบ้างโลกบ้างโดยเข้าใจนะฮะโดยเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเที่ยงแท้ไม่แปรปรวน เป็นของยั่งยืนซื้อบนผื้นธรรมชาติอย่างยิ่งมีพพมีชาติมีภูมิพมีพมีชาติแต่ว่าชาตินั้นต้องไม่แก่ไม่เ็ยไม่ตายไม่ไปขัดแย้งกันใจรักแล้วก็แปลกนะฮะคนไปคิดขึ้นมาได้พี่คิดต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นแต่งนันสมัยเป็นเด็กอ่เคยอ่านเจอหนังสือในตำราในเมือง ใ, ใต้เขาเรียบเรียงเล่า ถึงคนที่เนี่ยแนศาสนาทิฏฐิเนี่ยปรารถนาให้ชีวิตยั่งยืนเป็นอมตะแล้วก็ก็บอกว่าไปขอพรกับเทวดาเดียวขอให้ชีวิตเป็นอมตะเทวดาก็เตือนสติให้คิดได้ดีนะก่อนจะตัดสินใจก็ให้คิดได้ดีในสุดท่านก็จะเอากระถามจะเอาสักกี่ปี อายุยืนในสักกี่ปีทักบอกห้าร้อยปีคิดด้ดีนะตัดสินใจดีนะย้ำแล้วย้ำอีกเนทะวดาก็ย้ำแล้วย้ำอีกเอาจกลงห้าร้อยปี500รยปีท่านก็อยู่เป็นอย่างนั้นนะนะชีวิตมันก็ยั่งยืนแต่ว่าคนเนี่ยไม่รู้จักขึ้นไปเรื่อยเพราะท่านอายุร้อยปีนี่เหลนก็ตายแล้วนะทำไปทำมาอยู่ไป สองร้อยปีกว่าๆไม่ไหวโลกไม่น่าอยู่เลยมันครอมยุคสมัยติดต่อสื่อสารอะไรใกใคๆก็ไม่ได้สิ่งที่เคยสนุกก็ไม่สนุกในสุดก็อยากจะตายลวเทวดาให้พรได้แต่แก้พรไม่ได้ใกล้ๆกับแบบพระอิศวนเนะี่ยไปสวนให้พรนนทกขึ้นมาให้มีนิว้วก็จะสิทธิ์ชี้คนอื่นไ ด, ได้แต่ตัวเองแก้ไม่ได้จนทาเรื่องป่วนกันหมดก เราเรียนผูกแต่ว่าไม่เรียนแก้ในสุดทั้งก็พยายามฆ่าตัวตายด้วยวิธีการต่างๆแต่ว่ากฆ่าไม่ได้คือไม่ไาตายเตกลงก็กาะเป็นถ้ำที่อยู่เข้าไปก็้วเข้าไปอยู่ในที่นั้นแล้วเขียนบอกว่าอีกเท่าไรปีเนี่ยะเขาก็จะตายก็คงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกแต่ว่าเป็นการสอนให้คิดอ่ะ ภาในคัเพียรพุทธศาสนาก็มีพระเจ้ามันตะทาตุราชต้องการสวยสมบัติเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในโลกมนุษย์มันยังไม่สาแก่ใจนะ่ะได้แล้วยังไม่สาแก่ใจขอบังเกิดในสวงสวรรค์ก็แบ่งสมบัติกระเทาสากะเทวราชครึ่งหนึ่งเท่าสากัดเทวราชต้องการจะดัดสันดานนะฮะคือให้ครองเลยให้ครองครึ่งหนึ่ง ครองอยู่เพียงร้อยปีเสร็จแล้วก็คิดถึงโลกมนุษย์แล้วอยากกลับาโลกมนุษย์แต่ตอนท่านกลับมาเนี่ยไม่มีใครรู้จักกลับมาก็แก่แบบมนุษย์แล้วไม่มีใครรู้จักท่านเอาไปวางไว้ที่อุทยานหลังจากงก็เปลี่ยนไปแล้วลูกหลานก็ไม่มีแล้วในสุดก็เหงาเฉาแต่ว่าแนวพระวจนะฐาเนี้ยก็จะออกมาอย่างงั้นคือปรารถนาพบ ที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่คิดว่าอยู่ไปทําอะไรคือเราลองนึกดูนะฮะถ้าเราสะดวกสบายทุกอย่างเนี่ยถามว่าอยู่ไปทําอะไรคือแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยสุขหมดเลยชีวิตมันเป็นของไร้ค่าหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ชีวิตมันต้องเอื้อประโยชน์ต่อตอนเองและบุคคลอื่น อย่างพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายเนี่ยมันเอื้อประโยชน์แก่พระองค์สมบูรณ์แล้วก็เอื้อประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้เป็นนั้นมากมันก็น่าจะมีชีวิตแต่ถ้ชีวิตที่อยู่ได้เพลิดเพลินสนุกสนานบำรุงบำเรอด้วยก ร, รมาคุณหลากหลายเนี่ยถ้าอยู่ไปทําอะไรแล้วถ้าอยู่นานๆเนี่ยที่จริงมันก็อยู่ไม่ได้หรอกแต่บุคคลเาไม่ได้ไปคิดในตรงนั้น เพราะว่าโดยพื้นฐานมันเป็นภาวะตัณหาที่แนววิภาวะตัณหานี่คือแนวปฏิเสธแนวปฏิเสธแนวไม่ต้องการจนถึงต้องการให้ขาดสู์ไปเลยพวกนี้ก็กลายเป็นพวกวัตถุนิยมคือถือว่าสิ่งตัางยนั้นสูน์บา บ, บุญก็ไม่มีรกสาบัณ์ก็ไม่มีตายแล้วก็ไม่เกิดปฏิเสธไปหมดเลยจนถึงก็พ่อแม่ก็ไม่มีเป็นต้น พวแนวขาดศูน ย, ย์เครืออุเฉตทิธิในการธรรมดาธรรมดาตอนตอน้ตนๆเ น, น, นี่ยมันเกิจดจากวิวาตันหาพอเข้มขึ้นเขข้มึ้นเขข้้มึนเนี่ยมันจะกลายเป็นภววะเอกลายกลายเป็นอุเฉตทิธิคือความเห็นว่าสิ่งหลายขาดศูนย์แล้วก็ต้องการให้ขาดศูนย์ตก็แสดงว่าเข้าไปเจ้ากี้เจ้า ก, การกับเหตุปรากฏของธรรมชาติมากไปแล้วพอไม่เป็นตามที่ตัวการตัวตเองต้องการให้เป็นตัวเองก็เดือดร้อน ดังนโดยองค์ธรรมเนี่ยตัณหาก็คือโลภะเจตสิกนั่นเองลักษณะของเขาก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นลนักษณะทำให้เพลิดเพลินในอารมณนน์นั้นเป็นหน้าที่หมายความว่าได้เห็นรูปสวยๆเสียงไปรอบๆน้อมหอ ม, หอมรสหน้าร่อยก็เพลิดเพลินชื่นชมในสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าจิตจะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ เป็นผลที่ปรากฏภายในจิตเป็นลักษณะของทะเลไม่อิ่มด้วยน้ําไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อจิตไม่อิ่มด้วยตัณหาแล้วมีเวทนาเป็นเหตุใกล้เกิดหมายความต้องการสุขเวทนาที่ประณีตประนีตขึ้นไปแล้วอย่าลืมว่าแม้แนววิภวะตัณหาทำไมทัานยังเรียกว่าโลภะเจตสิกอะเพราะแนววิภวะตัณหาเนี่ยเราไม่ต้องการอย่างนี้ลองสังเกตนฮะเราไม่ต้องการอย่างนี้ที่จริงเราต้องการอย่างอื่น มันก็แสดงว่ามีอาการของโลภะอยู่ด้วยในขณะที่ก็มีอาการก็โทสะแล้วมันก็มีอาการก็โลภะอยู่ด้วยถึงบางครั้งบา ง, ass, บาง ass, คราวคนเราก็สับสนประเด็นโดยเฉพาะพวกพร ะ, พร ะ, พระเนี่ยฮะอันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอานั่นก็ไม่เอ า, อ, เ อ, าอยู่เป ว, ลวลันวันเหล้วลูกศิษย์ลูกหาก็เชียร์อาการโอ้หลวงพ่อเนี่ท่านไม่ยินดีท่านไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการเป็นอย่างนี้คนอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เอาเอาไม่เอาทั้งขีดทั้งขีดเท่าทั้งฐานทั้งขีดเท่าไม่เอาเรื่อง แล้วงานพระศาสนามันไม่มีหลักอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยหมดกิเลสมาตั้งแต่พระชนมยุสามสิบห้าเต็มทำงานหามรุ่งหามค่ำตลอดระยะเวลาสี่สิบ้าปีพระหันทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่นิ่งอ่เพราะฉะนั้นคนที่อยู่นิ่งเนี่ยคือคนขี้เกียจคนไม่เอาอะไรคนไม่เอาเรื่องไม่ใช่คนดีคนเด๋อะไรหรอกเกิดมาทําไม เป็นชีวิตก็เป็นโมฆะไร้สาระแก่นสารแต่คนก็หลงประเด็นเหล่าเนี้ยแล้วก็บางทีนี่ที่จริงมันเป็นวิปวัตต์ัณหาคือหมายความว่าสิ่งที่ให้ท่านเนะี่ยท่านรู้สึกว่าท่านท่านใหญ่แต่ว่าสิ่งที่ให้นะ่ะทําให้ท่านเล็กไปท่านก็ไม่ได้แต่ก็ไม่เอาสมมติว่าเป็นพระนักธรรมเอกอย่างเงี้ยแต่อยากเป็นเจ้าขุนคือรู้สึกว่าตัวเองใหญ่แต่ว่าโดยจริงๆแล้วมันก็เป็นไม่ได้มันก็ต้องปฏิเสธไป แต่ถ้าลองเอาจุคุณไปให้แกกเอาอะนะเพราะนี้่จะมีการดิ้นรนเพื่ออย่างอื่นหรือแสดงอย่างอื่นและในที่สุดก็ถึงจุดหนึ่งก็เป็นเนี่ยดอนนั้นอาการของตัญหาจึงไปกําหนดค่าของเวทนาถ้าเวทนาเป็นสุขก็เกิดการมาตะนาวภาวะปัญห า, ะะญหาเกิดทุกข์ก็เกิดวิภาวะปัญหาก็หมายความว่า ความสุขนั่นนะคือไม่ต้องการทุกข์ก็ได้แก่จิตที่ความสุขลักษณะของอุปาทานที่จริงมีการพูดอยู่สองแนวแต่ว่าบาลีไปอะเรียกเนี่ยเรียกอย่างหนึ่งเรียกกาหะเป็แบบการยึดถืออุปาทานก็การไปเข้าไปยึดจิตที่เข้าไปยึดไปให้ความสําคัญแก่สิ่งนั้นๆก็สิ่งที่ยึดมันก็อีกแหละก็นำมารูปแบบ โรคมันไม่มีอะไรอ่ะมันก็คือนามรูปนามหรือรูปแต่นั่นเองเพราะความโลค บ, บ้างเพราะความเห็นผิดบ้างนะ่ะท่านจําแนกออกไปเป็นการมุปาทานนึดถือมั่นในกามคุณทั้งหลายนะว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นของเรานะส่วนใหญ่ก็็จะเป็นของเราแต่ว่าตัวยึดเนี่ยคือกิเลสสิ่งที่ถูกยึดเนี่ยคือ สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสที่ครัแล้วก็ที่ถูปาทานหรือมั่นโดยอำนาจทิฏฐิความเห็นแล้วก็เน้นปที่ความเห็นผิดนะฮะเพราะว่ามเป็นอุปาทานเป็นพวกกลุ่มของสมุทยสัตว์เป็นกลุ่มเดียวกับวิชาตันหาปัญหาุปาทานเนี่ยพวกนี้กลุ่มเดียวกันเช่นยึดถือโดยความเห็นผิดปฏิเสธเรื่องบาปบุญคุณโทษเป็นต้น อย่างที่เคยยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ประชาชนชาวหมู่บ้านศาลาถึงสิ่งที่มีอยู่สิบประการแต่ว่าคนที่มีความเห็นผิดเนี่ยเขาปฏิเสธก็บอกว่าไม่มีคือการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการทําดีทําชั่วไม่มีผลสติตายแล้วเกิดไม่มี แล้วผู้รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามไม่มีปฏิเสธหมดเลยนั่นก็คืออะไรก็คือให้ความสาคัญแก่ตัวเองก็คือตัวเองเป็นศูนย์เพราะนั่นพุทิทิฐิเนี่ยไอความรู้ไม่เคยมีอะไรหรอกแต่ว่าแกยึดติดในสิ่งตรงนั้นแล้วพอซักถามเข้าไปก็หาเหตุผลไม่เคยได้แล้วบางเรื่องบางราวเนี่ยมัน ถ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านรู้สึกว่าท่านได้ก็ใกล้ๆกับท่านสัญชัยปริภาชกอาจารย์พระริบุต ร, รท่านเป็นขณ า, าจารย์เจ้ารัตที่มีสาวกเป็นร้อยๆนะฮะแล้วท่านก็ใหญ่โตพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วท่านยอมรับสถานภาพพระพุทธเจ้าแต่ว่าชวนท่านมาเป็นลูกศิษย์ท่านไม่เอา พระท่านรู้สึกว่าท่านจะเสียสถานะเหมือนกับจับจระเข้ไปใส่ไว้ในตุ่มเนี่ยมันเสียเชิงมากเลยก็ยอมตายคาตาแหน่งอยู่ตรงนั้นเดงนั่นคืออาการมันทิิมันไปยึดแล้วก็ไม่ได้คิดโดยเหตุโดยผลก็จะเอาอย่างเนี้ยก็แบบนิทานเรืนน่องหนอนกับเทวดาเทวดาพยามอธิบายความสุขในสวงสวรรค์ให้หนอนซึ่งเป็นอดีตสหายขว้าง ฟังยังไงแกก็ไม่เห็นด้วยแกก็เห็นไม่เห็นมันแปลกแตกต่างอะไรเพราะทั้งหมดนี่แกก็มีอยู่แล้วในสุแกก็ไม่ยอมไปอันนี้ก็คือแนวทิฏฐุปาทานปนกับกาโมปาทานพระศรีรัตุปาทานก็ถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติเช่นว่าเรียนแบบสุนัขบ้างเรียนแบบโคบ้างนะครับการประพฤติปฏิบัติถ้าเราไปดูที่อินเดียแล้วจะเห็นเนะี่เยอะเลยรลพระศรีรัตุปาทานเนี่ย อัตวาทุปาทานถือมั่นในอัตวาทะเช่นว่าอัตตามีในขันห้าขันห้าเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ขยายว่ากันไปเรื่อยๆจนถึงนิพพานเป็นอัตตามันก็เป็นลักษณะของอุปาทานนะฮะเป็นความยึดติดอย่างๆเพราะอาการยึดติดเหล่าเนี้ยมันก็กลายเป็นปัญหาที่ผูกมัดคนเอาไว้ในจุดเหล่านั้น บางทีก็ก้าวไปไม่ได้คือตายคาสถานที่ตรงนั้นอยู่นั่นเด็กตอนท่านจึงสอนให้บุคคลมองเห็นโทษแต่ละข้อเนี่ยพยายามมองให้เห็นโทษแล้วก็เพียนพยายามลดละลงไปจางคลายลงไปพยายามทำความเข้าใจรู้จักสถานภาพที่แท้จริงของสิ่งเล่านั้นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราเข้าไปยึดมั่นหรือมั่นเอาไว้เนี่ยมันจะไม่มีทุกข์นี่ไม่มีเลยเพียงแต่ว่ามีทุกข์มากและมีทุกข์น้อยเท่านั้นเองทั้งฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงอิจท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี